บทภาชีนีติกาปาจิตตีสาี่สิเกินสามคืน ภ, ภิกษุส so. ำคัญว่าเกินพักอยู่ในกองทัพต้องอบัติปาจิตตีเกินสามคืนภิกษุไม่แน่ใจภักอยู่ในกองทัพต้องอบัติปาจิตตีเกินสามคืนภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่าภักอยู่ในกองทัพต้องอบัติปาจิตตีทุกทุกกฏหย่อนกว่า3มคืนภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอบัตตทุกกฏ ยันกว่าสามคืนพิกูุไม่แน่ใจต้องอบัตพุกฏกยันกว่าสามคืนพิกูุสํสำคัญว่ายังไม่เกินไม่ต้องอบัต